หน้าที่ของเราคือความเพียรพระศาสดาจึงตรัสว่าเรื่องของเป็นเองเมื่อเราทำไปถึงขั้นนี้แล้วเราก็ปล่อยตามบุญวาสนาบารมีของเราแต่เราไม่หยุดทำความเพียรจะช้าหรือเร็วเราบังคับไม่ได้เหมือนปลูกต้นไม้มันรู้จักของมันมันอยากเร็วก็รู้ว่ามันหลงมันอยากช้าก็รู้ว่ามันหลง เมื่อทำแล้วจึงเกิดผลขึ้นมาเมื่อเราปลูกต้นไม้เช่นปลูกพริกต้นนี้หน้าที่ของเราคือขุดหลุมปลูกให้น้าให้ปุ๋ยรักษ า, มาแมลงให้มันเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของเรามีเรื่องศรัทธาของเราส่วนต้นพริกจะโตก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจะไปดึงให้มันยืดขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดเรื่องเรา ต้องให้น้ำเอาปุ๋ยใส่ให้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะสบายจะถึงชาตินี้ก็ช่างถึงชาติหน้าก็ตามเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกแน่นอนแล้วอย่างนี้จะเร็วหรือช้านั้นเป็นเรื่องของบุญวาสนาบารมีของเราทีนี้ก็รู้สึกสบายเหมือนขับรถมา้าก็ไม่ได้เอารถไปก่อนมา้าแต่ก่อนมันเอารถไปก่อนมา ถ้าไถนาก็เดินก่อนควายหมายความว่าใจมันเร็วมากร้อนมากทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เดินก่อนต้องเดินตามหลังควายค่าเอาน้ำให้กินเอาปุ๋ยให้กินกินไปเถอะหมดปลวกมาข่าจะไล่ให้เจ้าเท่านั้นหละต้นพริกต้นนี้มันก็จะงามขึ้นเองเมื่อมันงามแล้วเราจะบังคับว่าแกต้องเป็นดอกเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าทำเราจะเป็นทุกข์เปล่ามันจะเป็นของมันเองเมื่อมันเป็นดอกแล้วเราจะให้เป็นเม็ดเดี๋ยวนี้อย่าไปบังคับมันทุกจริงนะทุกจริงๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรารู้จักหน้าที่ของเราของเขาหน้าที่ของใครของมันจิตก็จะรู้หน้าที่การงานถ้าจิตไม่รู้หน้าที่การงานก็จะไปบังคับต้นพริก ให้มีผลในวันนั้นเองให้มันโตเป็นดอกเป็นผลขึ้นในวันนั้นนั่นล้วนแต่เป็นตัวสมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงมันผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องบุญวาสนาบารมีต่อไปเราก็ทำของเราไปไม่ต้องกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติก็ช่างมันจะชาติไหนก็ตาม ปฏิบาติสบายๆนี่แหละ